ตห้สงบประทับนะยังไม่นะเราต้องมาแนะอาชินอาชินบอกเรนะไม่ใอาชินยาแบบละอาชินยาเขปว่าเล ก็คือเป็นการเล่เล่นที่อาศัยความเชื่อเรามั่นใจเราไม่ได้เชื่ออย่างไรเหตุอะไรผลเราเชื่ออย่างคนมีเหตุมีผลถ้าขอให้เชื่อทุกคนจงตั้งใจฟังแล้วก็ลองทำดู จะพูดเรื่องอภิญญาสมาบัติก็เพราะว่าเธอทุกคนส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยกับเรื่องของการฝึกอภิญญาในชาติก่อนๆและการปฏิบัติในชาตินี้จะเหมือนกับชาติที่แล้วมาในชาติก่อนๆที่เคยทําได้มัอคงจะเป็นเรื่องที่ยาเพราะการฝึกอภิญญาสมาบัติให้คน เท่าที่เคยเท่าที่ทกันด้านในรชาติก่อนต้องมีความพร้อมยิ่งปว่นี้คําว่าพร้อมก็หมายความว่าวาระแห่งบนโกลสังเกตุ ก, ก็พร้อมยุคสมัยที่จะประทรําจสิ่ให้เกิดขึ้นหมือนก็พร้อมในยุคสมัยมันพร้อมกําลังใจมันก็พร้อมสิ่งเพียงเท่านี้จะเกิดอกูลประโยชน์ให้ใจของเราทำได้ง่าย ไม่ใช่ยากมันมอย่างสมัยชาตินี้ถ้ า, า, รา เ, เรื่องการทำมันเป็นยากแต่ต้องพิยากถ้าจะให้มันเป็นที่เรื่องขอการนำใจจิตเข้มแข็งโดยเฉพาะเรื่องของนิยมจิ่จะเข้ามารบกวนจิตใจของเราทั้งวันทั้งคืนนิบบนยมไม่ใช่แต่เเครื่องกันเฉพาะเวลาเรานั่งทำส ม, มาธิแต่มันหมายถึง ทุกขณะลมหายใจเข้าขออกของเราจิตใจของเรานันไม่ใจจดใจต่อแต่เป็นที่เราตั้งจิตกำหนดให้เป็นสมาธิที่วัเหล า, หล า, หลานีนี่แหละเป็นเครืงตั้งข น, น, นที่จะเป็นเกิดขึ้นตามความปรารถนาของตนที่ตนต้องการจะจงอภิญญาสมาบัติแม้เจอทุกคนก็เข้าใจคำว่านิวัน์พอสมควรก็การะเดชพระคุณหลว่อ แม่แนะนำเรื่องของนิวรณนห้าประการเอาไว้ชัดเตนดีแล้วแต่ที่เราเพูดเราก็เพื่อจรได้จับสังเกตตัวของเธอ่องว่าวันหนึ่งคืนนถ้าเราไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่เอาใจก็เราไปวุ่นวายว่าใครจะดีใครจะเลวแม่เจอใจก็ละนิวรณ์ไปตัวนั้งน เป็นตัาหนักพอสมควรที่ทาให้ชีวิตของเจตทั้งชีวิตด้วยเชื่อในวันลาวันหนึาาง่งคืนนึงมันว็่ีวายตปกับเรื่องของคนอื่นเมื่อจะวุ่นวายไปเพราะเรื่องของฝามาีสวุนบายไปเพราะฝางกรน่าสงสา ร, รวุ่นวายจักการที่สงคเคราะ์บุคคลอื่นให้มีเงินมีคมุณสนั้นเราเองก็ต้องการฝาดหมูเป็นเงนเป็นคุสน จิตมันไม่มีโอกาสที่จะอยู่เพราะมันยังใดยังหนึ่งนิ่ ง, งสงบเป็นอารมณ์เดียววันหนึ่งคือหนึ่งเราก็จะมีแตเรื่องเข้ามารบกวนจิตใจมากมายจริงๆว่าคนจิตใจเรามันไม่ได้เกิดเพราะคนอื่นมันเกิดเพราะเราเองคนอื่นทให้เราวุาว่นวายใจมันมันเราละง่ายเราอาจจะหลบไปก็ได้ ไม่สนใจเสจี ย, ยก็ได้แต่เราละความสนใจของตัวเราเองมันละยากแนวความว่าอย่างไงไม่ว่าใจเรานะ่ยมันคอยดึงเรื่องของคนนั้นดึเงเรื่องของคนนี้ดึงสิ่งนี้นสิ่งนี้เข้ามาแล้วกวนจิตใจของเรากระเัยลามันก็พลาดกับสุ่งที่เรากาหนดตั้งนี้นิด จะจะภาพของพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เอาในนิสิตาจิตใจของเราไว้หลอวในนิสิติในนิสัยใดอย่างหนึ่งที่เรากำหนดมาเป็นองค์ของการกาหนดเป็นรรมจิตพร้อมกับคำภาวนาที่เราใช้คอบคู่กันไปก็ดีในกระทั่งเวลาที่จะคิดพิจารณาให้เขินถึงความเป็นจริงในถึ่งที่เาพอเข้าใจบ้าง จะเอาเวลาจากที่ไหนมาในวันหนึ่งคืนหนึ่งเติมมาใจเราก็ไปยโ่งกับเรื่องนะันใจเราก็ไปข้องแับ ก, กับเรื่องนี้และนิดๆที่เรากำหนดเป็นองค์สมาธิหายไปไหนบางเวลาเราก็นึกขึ้นมาได้ก็ตั้งองค์สมาธิขึ้นมาได้ก็เจ้าขนาดตังต้งๆมันไม่นานนะคือเอาทรงตัวให้นาน ตามที่ใจเรากำหนดก็เปนไม่ได้จะตั้งแล้สัก ส, üğ, สิบนาทีตั้งไว้สักครึ่งชั่วโมงตั้งว้สักหนึ่งชั่วโมงมันก็ตั้งยากเพราเไมใช่อะร่เดี๋ยวมันก็แวะจะเรื่องอี่นงัการนั้นที่เราจะปฏิบัติอดีญญาสมาบัติจนเป็นเรื่องเป็นจริงเป็นจงราบี้หวังยากอย่าอยากเลย นะมันติดยึดถุดตรงไหนมันได้เฉพาะบุคคลที่มีความศรัทธาแรางกล้าที่หวังจะใช้กำลังอภินญญาจะมา บ, บัดเพื่อภาษาศาสนาเพื่อบรรเทาช่วยประกาภาษาศาสนาช่วยคนทั้งหลายมีปัจฉาต่อภาษาศาสนาช่อยปกป้องภาษาศาสนาอย่างนี้เป็นต้นยันก็ต้องฟังฝ่า อ, อกตักมาก ก็จะกระจัดใจของตนเนี่ยที่มีความคุค้น เ, เคยกับความเมตาคุ้นเคยกับความเกล้าคุ้นเคยกับสิ่งที่คอยที่จะทําเพื่อให้คนนั้นคนนี้คนนู้นัรื่้งกระตั้งตาเราเห็นในสิงนั้นโอ้รยนต์ส่งนี้มันจะอดวอกแวกวุ่นวายโดยะเขาไม่ได้เวลาจะโยคนเดียวก็คิดโยเท้ากลางห ม, โมู่คนทั้งหลายก็คิด เวลาที่จิตมันจะตั้งมั่นเป็นองค์สมาธิขึ้นมานในการที่เรากำหนดลิมิตเครื่องหมายมันจะเกิดได้ยากมากบางครั้งมันเกิดได้แต่จะเอาเวลาหน่อยให้มันตรงตัวได้มันนานก็ยากตรงตัวได้กระจะขณะเวลาหนึ่งต้อง ก, การให้ ม, มันจิดแม่ไม่ขาดสายก็วิ่นใจเป็นไปด้วยความยากลำบากนะทําไปทำมาก็ล้มแถว เพราะขึนจ้เมเรื่องที่ยากเราทำให้สำเร็จยากพตอย่ารับเลยว่าถ้าเราไม่เข้มแข็งจริงถ้าเร า, าไม่มีมงโนปิธานแน่แนๆ่ี่จะใช้สิ่งนี้เพื่อช่วยประกาศพระศาสนาจริงเราต้องการเป็นชแค่อยากมีจากได้อยากเป็นและไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรที่มันเรยว่าหนักมันคุ้ค่าเลยถ้าเลิกอยากเถอ ไม่มีประโยชน์ใช้พงแค่คลื่นกำลังอย่างที่พระเดชพระคุณหลงพ่อสอนเราหรือแค่วิชาสามแค่ติัญญาเล็กๆแค่เนี้อพอสาหรับทุกคนส่วนใหญ่เหมาะดูแล้วในยุคสมัยนี้ไม่ต้ังใช้มากเพราะอะไรดู้ั้ยเพราะการที่เราใช้ติัญญาเล็กๆ โดยกำลังแห่งอัม น, นมไม่ดิธิม่ดิ้ดทางใจที่เธอสา ม, มารถจะเอาใจาาของเธอไปสําคัสเย็นยรงเจ้าพระนิพพานได้ถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตของเธอทีเดียวควรที่จะกระทำให้เกิดขึ้นบ่อยๆควรจะทำให้เกิดความทรงัวอย่างน้อยสัก5้านาทีในอารมณ์ที่เรายอยู่บนแดนพระนิพพาน อา่ว่าถ้าเราไม่เห็นล่ะเราจะเอาเราจะเป็นหลักในการเชื่อมัน่นในสิ่งที่ว่าเราประโยชน์จริงคนอื่นเขาเห็นาเราเป็นของให้แต่เราเห็นตัวเรามันจะเรื่อยากยากสาหรับบางคนแต่ก็ไม่ใช่ทุกคน นั่นถ้าเราจะ้าอยอจุญญาเล็กๆ เ, เพื่อประโยชน์สูงสุดคือการให้ใส่วไหวอารมณ์เป็นแดนที่ผ่านบ้างหรือว่าจรักรู้สมพันากับทั้นพ่อนหรท่คุณลุกครัวอาการของเราเล็กๆไม่น้อยบ้างก็ถือว่า ด, ดีดีกว่าดีกว่าที่จนเราเล่งกับเรื่องของคนอื่นเขา เราเจอจังหวะหลักปฏิบัติไว้ยอย่างนี้นะเราฝ่าธรรเนียร์ที่จะมาตัดมาเกิดตอนใหญ่เธอทุกคนเกือบทุกคนเนี่ยยกเว้นคนที่ฝ่าธรรมนายรพระโพธิญาณเราเป็นผู้ที่ไม่ฝ่าธรรเนาการโยนไหวไปเกิดจับจิตจักใจเหลือเกินจับจูที่เป็นบรควารวุ่นวายภาระ อันมากมายไม่รู้จักจบทํำถ้าเราก็ไม่จบเร่งให้มัเร็วให้มันจบใจไวมันก็จบไปแค่เรื่องนั้นหรือเรื่องอื่นก็ตามมาอีกมันก็ไม่จบกะทีภาระทางใจภาระทางกายภาระโลกโลกภาระหน้าที่ไม่มีวันหจบสิ้น เราจะเอาใจเปตัดใจว่าจะต้องทําให้มันเสร็จจะต้องทําให้มันได้จะต้องทําให้มันมีจะลองนึงกๆกปหน่อยว่านึกเนี้ถูกไหมหรือว่าเราคิดกําลังคิดผิดเพราะในความเจริงแล้วมันไม่ได้สิ่ง น, นั้นมาตลอดคุณแค่จะได้ามาระเบ่นหนึ่งจะเรื่องต่ อ, อไปเราก็ต้องทําผิด จบเรื่องนั้นจะกระยเนี่จบเรอง้กระต่ายเร่าเรื่องนมันไม่มีภาระใดๆที่จับขึ้นยังเสาได้นองจากเธจะไม่สนใจมันไ อ, อ้คำว่าไม่สนใจเนี่ยหมันก็หมายถึงว่าเราไม่ได้เอาใจคิดว่ามันจะเรื่องสำคัญ คนที่ตขาระเขามีวรรณะประการเวลาเขาโย่ข้ามกลางาคนทั้งหลายที่มีความวุ่นวายเรื่องโลกโลกเขาเป็นเพื่อสนใจสมาบัดแล้วก็กะะ็าจะไม่เห็นค น, น, น, น เ, ววาาเหล่านั้นอยู่ในสายใจเขาเลยเดี๋ยวว่าตามองถึเห็นเลยนะในใจก็ไม่มีความรู้สึกคิดเห็นคนเหล่านั้นอยู่ในใจเลยสิ่งที่เขาคิดเห็นคือเห็นแต่นิิมเครื่องหมายเห็นแต่เรโลกโลกนึง ภาวะใจอีกภาวะหนึ่งที่เขาได้ไจัดไปสัมผัสความสงบได้ไปสัมผัสพระได้ไปสัมผัสปเจวานางฟ้าเดชสิบาอาจารย์เยออีกโลกหนึ่งทั้งๆเขาตังนั่ ง, ง, ง, ง, งอยู่ข้ามกลางคนที่วุ่นวายมากมากยต่เจเหตุระกับเรื่องรอบๆอยู่จิตตรงช่ว น, นั้นที่ตรงฌาจสมาบัตกลับไม่สนใจเลยเราจึงใช้คําว่าไม่สนใจมากกว่าใช้คำนั้น อ, อีก เห็นอยู่รู้อยู่สิ่งที่ต้องทําก็เลยันต้องกระทําอยู่แต่ไม่เอาใจเข้าไปคิดว่าสิ่งนี้มันสําคัญทำใเราต้องเสียเวลาแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องทําการเจรื่องที่เราคิดว่ามันจําเป็นจำเป็นต้องทําจำเป็นต้องให้จำเป็นต้องมีจำเป็นต้องได้ ที่เรากำหนดตัวเราว่ามันเรื่องจําเป็นพอมันจะเรื่องจําเป็นมันก็เป็นการสร้างภาลังมาชีของเราที่ต้องไปกระทากับสิ่งนี้ลงไปแล้วเราจะอาเวลาที่ไหนที่จะไปกระทำสิ่งที่มันควรทํามากกว่านี้ในแง่เรื่องนั้นเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นภาระจําเป็นของเราไปเป็นแล้วเจะตรอหจากไหม นั่นสิ่งที่มาลบ ก, กวนจิตใจของเธอมันมีอยู่มากแต่หากว่าเรามีความมั่นคงกับการไม่กลับมาเกิดเป็นอารมณ์เดียวภาระทั้งหลายมันจะไม่ทำให้เธอรลึสกกึกว่ามันขวางทางใจเธอเลยมันจะเป็นเื่องเล็กๆน้อยๆ แต่เอาไม่มีสาระก็ยังใช้คําไม่ได้ในคอรอบทนมันก็มีความจําเป็นในชีวิตแต่มันกับเป็นเรื่องเล็กน้อยปัจจุบมาเหมือนกับพระท่านท่านถือการมีชีวิตอยู่กขาต้องต้องมาสนใจเรื่องการบริโภคมีความจําเป็ น, น, น, นจากการขบขันจะเรื่องอที่เล็กน้อยมากจริงๆร่างกายต้องการถ้าไม่ได้บริโภคอาหารร่างกายมันก็เจ็บแทน จันจะต้องบริโภคอาหารนั่นกันแต่ถามว่าพระให้ความสําคัญกับสิ่ง น, นี้มากไหมไม่ให้ความสําคัญสักนิดเลยมีได้บริโภคหรือไม่ได้กินก็กินมีน้อยก็กินก็ตามนั้นมีมากก็กินพออิ่มไม่มีก็อยอมรับว่ามันไม่มีไม่เรียกรนอะไรเพราะว่าชีวิตของพระไม่ได้ฝากกับเรื่องของตากเอาวรื่อของ จะฝากละกับการสงบในการค้นหาผลการแห่งความปนทุกข์นนทุกข์ในใจของคามเป็นอรหันต์มากกวา่ายกตัวอย่างให้ฟังจะได้เห็นว่าถ้าเราคิดทุกวันทุกเวลาเริ่ดข้างหน้ากเลยว่าชีวิตเราเนี่ยฝากไว้แต่ตการไม่กลับมาเกิดเราจุดเมื่อนั่งอย่างเดวยว่าแทมนี้เราไม่เอาแล้วขึ้นตวการเย็นวายไปเกิดเราไม่ต้องการไม่ติต่อไป อาจเป็นยาเล็กนิดน้นอยที่ตัวเรา่อที่จะติดผลกันได้พอจะให้มันเกิดขึ้นมาได้มันเป็นของทำได้ไม่ยากหากเรามีความว่าสัทขาเชื่อเชื่อในทีนี้เชื่ออะไรเชื่อว่าเราต้องตายเชื่อร่ า, รางกายต้องตายเชื่อว่าจิตวิญญาณของเราไม่ตาย คามวัตถุนึกคิดของเราอย่างนี้ที่มันอยู่ในปัจจุบันมันก็จะจิตตัวลาไปในทุกสถานมา่นจิตายไปกับพร้อมกับร่างกายความจำทั้งหลายความรู้ทั้งหลายมันก็จะจิตตัวเราไปมันไม่ตามเราไปก็อร่างกายที่เป็นเพียงแค่องค์ประกอบในธาตุสี่มาปไปจุ่มรวมกันก็เท่านั้นที่มันไม่ตามเราไปแม่ คว่าความตายเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับเราแน่นอนแต่ไอ้ร่างกายมันตายจิตเราไม่ได้ตายสิ่งนี้ตัวเชื่อไหมเธอต้องฟังฟังเชื่ออย่างไม่มีคําว่าลังเลและสองสัยถ้าจิตให้าตายร่างกายมันตายจิตมันยังมีชีวิตจิตใจอยู่อย่างนี้มันก็ต้องเคลื่อนไปที่ไหนก็ได้ กไม่ใช่แค่เราคนเดที่เครื่องไปไหนมาไหนได้ทุกคนที่มีร่างกายยาเราเขาก็สามารถจะไปที่ไหนมาไหนก็ได้แล้ว ท, ท่านจะละร่างกายไปแล้วล่ะกนประโยชน์ที่ไหนบ้างจะถามว่าเราจะไปสัมผัสท่านไม่ได้หรือเราก็ต้องเชื่อว่าเราต้องไปเจอท่านแน่นอน คนที่ตายไปแล้วเร้กัไมเจอแน่นอนไม่ว่าท่านผู้ที่มรับฆ่าไปแล้วก็ดีและพระพุทธเจ้าที่ส่งปรินิพพานไปแล้วก็ดีก็ส่งปรินิพพานเพราะพาดขันท่นั้นแต่โดมท่านอารยะไทยขอพระองค์ไม่ได้ปรินิพานหมายถึงวไม่ได้ตายจะไหลไปหมดเราก็ไม่สิที่จะไปเจอท่าได้จรงนี้ติดเชื่อไหมเราต้มีความเชื่ออย่างว่าจิตของเธอ ในเวลานิสิตก็มองไม่เห็นมันแต่คนไม่เห็นภาพอะไรก็เราไม่เห็นแต่เราเห็นอะไรเห็นตวามคิดเห็นตวามรู้สึกเห็นตวามเป็นตัวเราที่คนอื่นมองเห็นเราไม่ได้ถ้าเขาไม่ใช้กาลังของคามเป็นจุดของใจเขาก็ไม่สามารถเห็นยอดเซลกําลังทิ้อะไรอยู่ เขาก็ได้สั่งมาเตะางทีอารมณ์ของเตะกังรกว่ามีทุกข์อาจจะโดยด้วยเพียงภาพภายนอกบางคนอาจจะนิน่งนิ่งๆเหมือนขรุขนไม่มีไม่มีความรู้สึกไม่คิดอะไน้าจิตจิตจะคิดว่าเขาทุกข์ไ ม, ม่ใช่กาจะทรงอารมณ์นิ่งๆสงบสงชานอยู่ก็ได้หรือบางคนกำลังยิ้ย้น จะรู้ด้วยว่าเขากาลังม่คามตกเ ข, ขาก็อาจจะเก็บกดอะไรอย่างใดอ่าหนึ่งเอาไวไไ้ภายในแล้วก็แสดงสิ่งภายในอกออกมาเพืก็บกด เ, เกินความเป็ตัวของเขาไม่ใหาคนอื่นเห็นก็ได้ยันไม่มีใครจะเอาเป็นแค่ภาพถ่ายนอนจะเป็นอย่างใจของคนนั้นเป็นคนนั้นจริงจริจะเร า, ร เ, ร เ, ราเรารู้ตัวเราไหมเรารู้ตัวของเราคนอื่นม่รู้แล้วลว่าเรากำลังเป็นยังไงคิดอะไรรู้สึกยังไง แต่ตั้งหลักว่าเขาตายจรตายร่างกายไม่มียังไม่รู้ได้เวลาท่านก็รู้ได้ไม่เคยคิดอะไรท่านไม่ต้องติดคิดจะขูดยากก็เพราะว่าท่านไม่มี อ, อยากสังขารร่างกายเป็นตัวทวงใจดังนั้นสิ่งที่เธอต้องเชื่อและความรู้ทั้งหลายด้วยความที่ เอาใจเราให้เกิดความเป็นทุกข์สัมผัสกับใจดวงอืนอ่นๆหรือท่านผู้อื่นที่ไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นเขาทำให้ยากถ้าเราไม่หลงคิดว่าร่างกายนี้ของเราเป็นของของเราซะก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเชื่อว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ันต้องตายร่างกายนี้ไม่มีความหมายร่างกายเป็นเพียงแค่สิ่งที่เข้ามาไปรจุกันมีแต่ของสกปรกโสบโครก ร่างกายร่างเสื่อมไปหลายไปไม่มีอะไรเหลือเป็นที่ตคนที่เท่าไปมันไม่มีชีวิตจิตใจเราไม่มีชีวิตจิตใจถามว่าเราเป็นตัวเราไหมเราก็ไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้นะเรารู้สึกได้แล้วก็มีเสี้ยวคารู้สึกในตจเราถูกไหมที่แน่นาที่เกิดสัมผัสได้แนแน่ไม่ต้องรอให้ใครมาที่จิแตแบบเธอเ ร, รู้สึกยังไงไม่ต้องให้ใครมาถามเธอรู้สึกยังไง เราสามารถตอบตัวเราเองว่าเรารู้สึกยังไงแต่เราไม่สามารถจะไปหยังย่งความรู้สึกของคนอื่นความคิดของคนอื่นได้เลยลว่าเขาคิดอะไรอยู่ภายในใจจนถึงจังนี้พอเข้าใจไหมว่าฉันเป็คนทีเ่เชื่อใ้เชื่ออะไรเชื่อความเป็นจริงว่าเราไม่ตายแต่ร่างกายมันตาย เชื่อความเป็นจริงว่าร่างกายมันไม่สามารถจะไปรับรู้อะไรได้มันต้องเราเกิดใจแต่เรารู้แกเราไหมรู้เราสามารถรู้ถึงความรู้สึกตามคิดของเราคิดกุดในใจเราได้ว่าคิดอะไรอยู่รู้สึกอะไรอยู่ทุกขบยังไงทระบแต่ถ้าเราต้องการที่จรู้ตนื่นเขาเราต้องให้สนใจร่างกายเราสนใจแค่จิดจยกางเดียว ถ้าเราสนใจจิตเราจะทำยังไงให้จิตของเรามนกำลังถ้าจิตก็เราไมตจะหมกม้่ยเรื่องขอ ง, งคนอื่นมา ก, ก็ได้กลดกันหากขณะเวลานั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรู้ใจของคอนเก็ได้ใจตัวเองก็รู้เองแค่ว่าตอนนี้นมันกระสับกระส่ายล้อหลงทุหลงทุไลมันกลับถุกแยกเป็นสองแล้วอีกใจหนึ่งภายในตัวเองมันก็กำลังเฮืยามที่ยาก ยานอยากคิดประดับประสายังนั้นเรืนี้อีกใจหนึ่งที่อยู่ในตัวมันเองมันก็คงจะเตือตัวอ่อยากคิดอย่างนี้อยากคิดอย่างนี้จะไปยาบางทีมันก็อยากตามคิดตามตรงตามตามไปกับมันด้วยก็ในตัวของตัวเองตัวยังไม่นิ่งเลยตัวย้งไม่สงเป็นอารมณ์เดียวเลยแล้วจะใช้ความ ลกของเธอเนี่ยที่จะไปเอาใจเธอไปสัมขัสเรื่องราวต่างๆในสิ่งที่เธอมองไม่เห็นมันเป็นไปไม่ได้นี่คือความจริงที่เธอต้องเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้หากใจของเธอมันยังรวมไม่เป็นหนึ่งใจของเธอยังเหมือเจะมีสองคนในร่างเดียวกันอยู่มันยังทะเลาะกันข้างในอยู่มันยังวุ่นวายภายในใจของมันอยู่มันยังคิดเรื่องจะเกิดสะปะสะเทือลหราของมัน ไม่นิ่งสงบเป็นอารมณ์เดียวอยู teeth, ่กระดับที่จิดมันยังไม่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวคือมันไม่สงบนิ่งไม่โปรไม่มีทางที่เป็นทางเดียวกันจิตม้นก็ตาด้วยการวางนั้นเสรถ้าจะวิจารณเสพบ้างอย่างปกติมันจะเหมือนคนสองคนในล่างเดียวกันเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันเดี๋ยวมันก็ขัดแย้งกันเองเดี๋ยวมันก็มึนจมุกจุดเดียบในจิดเกิดขึ้นในตัวมันเองเข้าใจไหมเดี๋ยวมันก็คอยไปคิดเป็นสบ้าโดยตัวเอง คิดทําไงกระดาษกันแล้วว่ากันเนีะเวลานั้นที่มันเป็นแบบเนี้ยมันให้่เป็นอารมณ์เดียวนะ้ะถ้าเป็นยาให้เกิดเกิดไม่ได้ไม่มีกาลังที่จะใช้อะไรได้แต่ถ้ า, าอารมณ์ใจเรานะมไม่ได้คิดเรื่องของใครเลยไม่ได้วิจะไปจูงแสงอะไรมันเป็นอารมณ์เดียวมันนิ่งสบายสงบดีเราจะไปหาใครเราเอาจจไมถึงใคร เราก็าสามารถจะสัมผัสใจคนนั้นได้ทันทีาการไปสัมผัสคนที่เป็นมนุษย์มันยากถ้าใจเราไม่เข้มแข็งพองไปสัมผัสผู้ที่ไม่ใช่นมนุษย์ง่ายเพราะว่าท่านมีธาตุขันท่านพร้อมเสมอที่ให้เราเขไปสัมผัสแต่มนุษย์ด้วยกันเนี่ยบังชีเขาปิดกัน้นเราเข้าไม่ได้ กิเลสตัณหาเขามากเกินไปเราเห็นแล้วก็มีประโยชน์ที่จะไปสัมผัสเห็นไหมพูดคุยกับคนที่เป็นนุษย์ด้วยกันด้วยใจต่อใจมันพูดยากถ้าคนคนนั้นยังมา ก, กไปด้กิเลสตัญหาจิตมันวอกยักวุ่นวา ย, ยจะไปสัมผัสมนุษย์ด้วยกันเป็นไปไม่ได้ยกตัวยอย่างง่ายๆว่าถ้าอีกคนส้องมาเปญาติยายตามาบัดแล้วเราไม่ได้องมาเป็ญาติยายตามาบัดาก เราเป็นรับสัมผัสจใจและความรู้สึกของเขาไม่ได้แต่ถ้าเราตรงใจเป็นอารมณ์หนึ่งเดียวเหมือนกันเขาก็พร้อมอยู่แล้วเพราะเขาตรงใจเป็นอารมณ์หนึ่งเดียวพอเราคิดคุณเขาซักเขาก็ถึงหนักปุ๊บคูยคุยกันได้เนั่นหมายถึงว่าเขาพร้อมถ้าเราพร้อมก็รับกันได้นึกมีคนที่ตายจากความโกรธกันแล้วนะ โดี่ท่าพร้อมเสมอเทวดาท่านก็พร้อมยางฟ้าท่านก็พร้อมครหท่านก็พร้อมพระอัยย์ท่านก็พร้อมเทพเจ้าก็พร้อมพร้อมที่จะรับจะแต่ความตั้งใจไม่เกิดขุ่นใจและตั้งใจไม่ถึงท่างเสมอเรื่องตัวเราล่ะมันไม่พร้อมเท่านั้นแหละไม่พร้อมตรงไหนไม่พร้อมตรงจิตใจเรามันไม่เป็นหนึ่ง ไอ้คำว่าอารมณ์ใจมันไม่เป็นหนึ่งต้องแยางฟังไหมถ้าจะยกตัวอย่างว่าเจ้โคน่วะมันมีตามคิดแตกแยกคนละทางขัดแย้งกันเองภายในมันมีกระแความสับสนแล้วก็วุ่นวายโมจะดินใจเป็นเรื่องนั้นเดินใจเป็นเรื่องนี้ดินใจเป็นเรื่องนู้นแล้วมันจะนั่งตามก้อารมณ์ใจตัวเองอย่างนี้แหละเขาเลย่าไม่ลงกันเป็นหนึ่งถ้ารวมกันเป็นหนึ่งโยงหมายถึงว่ามันตั้งใจเป็นทางเดียวมันไปด้วยกัน ขณะเวลานั้นจิตมันนึกในสิ่งที่เป็นกุศลมันก็มีกำลังอนุภาพสูงแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าจิตคิดไปทางอกุศลมันก็มีกำลังใจมันก็มีกำลังสูงเหมือนกันคนบางคนเนี่ยเวลากรดจัดเข<ๆ> า, าจเใ้าวาจาเหมือนกับปะหัตประหารลงไปมันก็ว่าแข่ง ถามว่มีผลไหมมีผลแามว่าทำไมเขาทำได้เกิดผลก็เพราะว่จิตของเขาเา็นลมกันเป็นหนึ่งเดียวเขาม่มีทางเดียวที่เขาจะต้องเดินไปจุดนั้นจุดเดียวในเรื่องนั้นเรื่องเดยวนั้นกําลังเข า, ะาจะหลับปักใจประวามโกดก็ดิ้งควบใจตามเกิดกระตังมันก็มีผลมันทำให้อีกคนนั้อะเป็นประตามปากเขได้เหมือนกันในทางกลับกันถ้าเรา บุคคลผู้นั้นใช้เดียร์าง ท, ที่เป็นกุศลจิตใจผู้นั้นหาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เดียรเป็นทางดยยิ่งเงี่ยสงบเท่าไหร่ตามปรารถนาที่เราต้องการจะสัมผัสใจของพระองค์หรือแม้จะต้องการจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าจงจากอะไรกับเรามันเป็นของที่ง่ายมาทกทําได้แต่ผมก็คิดไปเลยตามว่าพระผู้พร้อม เทวดาพร้อมคมพร้อมทุกท่านที่มีตามเป็นจิตท่ทานพร้อมหรือต่เราพร้อมหรือเปล่าใจเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วหรือยังพุ่งใจมันเป็นสิ่งเดียวแล้วหรือยังถ้าคนมีจุดอันแน่แน่วะเวลานี้นะเราจะไปวิภาสเพาพระพุทธเจ้าสอนว่า คนที่จะไปไนิพพานไดกจะตัดตามยินดตามเปนมนึกเจวานัตงฟ้าแล้วก็ผรแล้วก็นั่งพิจารณาว่าเราไม่ยินดีตามเป็ม น, นึกเพราะอะไรตัวร่างกายมันทุกข์เหลือเกิแลวอยู่กต่กองทุกข์เ่องทุกอย่างก็มีแต่ทุกข์มันทุกข์ทั้งจิ้นถ้าเราเป็นเจวานังต้ามดเวดรวาสนาก็ต้องกลับมาทุขอีก มาเจอแต่เรื่องที่ทุกข์อติจันทร์ทองก็ต้องกลับมาเจอเรื่องทุกข์อีกนึกใจเราจะมานั่งคิกยินดูกับการเวียนว่าไปเกิเดไนรกแดนใดต่างๆเหล่าลนีน้มีไหมไม่เอาพรมันตัดสินใจว่ามันไม่เอาแล้วมันต้องการจบโดยการไม่กลับมาเกิดที่มันต้องเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่นั่นก็เป็นผู้ที่พระอาาราันต์ท่านอยู่กัน กองศิษย์ท่านลาวเหล่านั้นจะต้องอยู่กันที่นั่นที่ท่ทนให้ถึงพอใจที่จะกลับมาเวีนว่าไปเกิดแล้วทุกองคท่านจะอยู่ที่เดียวกันหมดพระพุทธเจ้าทุกองกนนนน ค, ออนนคกก์ก็อยู่ในในเวียนดาณุิภารหมดถ้าอรหันต์อยู่บรดาณวิภารหมดพระเิกจ้าเจ้าก็อยู่บรแดาในพระนิพพานหมดเราก็เป็นผู้ที่ไม่ต่งางปัญาที่จะเกิดเราก็ไปที่นั่นได้เอาอะไรไปเอาใจไปเห็นไม่เห็น ไม่ต้องคำ น, นึงถึงรู้ไหมรู้ในความรู้ ส, สึกที่เกิดขึ้นคราวนี้ก็เหมือนว่าคูยกันสองคนแต่เป็นการคูยภายในสองคนแต่ไม่ใช่ตัวเลาจึงตรงนี้เราติดฟังไม่ดีนะต่อหน้านี้ที่เรายังไม่รวมจิดเป็นหนึ่งมือ่อเราคูยกันสองคนแต่คุยกันให้รู้เรื่อง มันคอยแย้งกันมันคอยติกันมันคอยว่ากันมันคอยกระทําในสิ่งที่ไม่ไปทางเดียวกันด้วอการคิดเรื่องนั้นเรามันอยากจะคิดมันก็คิดไปด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนสองคนอยู่ในร่างเดียวกันมันไม่สามัคคีกันเลยแต่เมื่อเราทำฟังนิ่งสงบให้มันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่มันไม่คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นหละมันคิดไปเรื่องเดียวกันว่าพิจารณาธรรมเหมือนกันเข้าใจความจริงเหมือนกัน แล้วก็รู้ว่าความตายมันต้องเป็นสิงในสิงที่ร่างกายต้องตายเหมือนกันคือมีความ่ตคิดเดียวกันน่ะอุปมามันก็คืออยู่กันสองคนถ้าสองคนมีคิตอมานะแข่งกันความรู้ไม่เท่ากันมันโต้ยังกันไหมมันแย้งกันมันทะเลาะกันมันทําอะไรมันก็ไม่ทำให้สาเร็จเพราะต่างคนต่างเดินเหมือนที่ครูมาสอนอยู่คิดอยู่มานะต่างคนต่างมีต่างคนอยากทําบั่องอยากคนอยากจะทําอย่างนี้ มันทํางานให้สําเร็จไนะมันก็จะทางเดียวกันข้อนี้ชั้นใดเวลาที่ใจของเรามันยังมีนิวรณ์เข้ามาขวนใจมันจะจุดดึงแยกออกจากกันมันก็สองส่วนที่มันจะคอยลบลาข้าวฟันกันตลอดไม่ไปเป็นทางเดียวกันแต่เมื่อใดก็ตามถ้าคนสองคนที่จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันแต่ว่าเข้าใจความจริงอันเดียวกันแล้วชอบที่จะไปเส้นทางเดียวกันมันก็สามารถจะแบกเอาอะไรไปด้วยกันได้ง่ายๆสาเร็จไหม ใจทางเดียวกันนะอารมณ์เดียวกันคิดเห็นเหมือนกันเข้าใจเหมือนกันไปทางเดียวกันมีกําลังไหมมีกําลังสองคนรวมกันเป็นคนเดียวกันแบดของอันเดียวกันน้อ ท, ที่จะไปทำสิ่งเดียวกันเขาต้องไปแล้วแน่นอนแตนี้ว่าไปพบมันก็ต้องไปเออีกคนหนึ่งใจเป็นคนสามคนถูกไหมใจสองคนที่ว่านะ่ะมันปลกเครื่องโยนใจเป็นคนเดียวกัน ในจตดตอนแรกที่สองคนมีความแตกต่างกันด้วยจิตจิตมันนะแล้วก็คิดเห็นเชางเดียวกันรวมกันเป็นอันเดียวกันเมือนกัเป็นคนเดียวกันเพราะว่าทำสิ่งเดียวกันได้แบบของอันหนึ่งแบกได้วยกันไปกู่คือคนแบกช้าเป็นคนแบกหัวไปด้วยกันเนี้ยเหมือนก็เป็นคนเดียวกันนะเหมือนเป็นคนเดียวกันแต่ถ้าจะเจออีกคนหนึ่งคุยง่ายนะคุยง่ายยกยกตัวอย่างนะจะจะจับตันนะค่อยๆเข้าใจ ในขณะย่อขยายจะเข้าใจว่าใจเราเนี่ยยามที่มันเหนือยนมันเหมือนคนสองคนที่มันให้สามาัคคีครับเพราะมันไม่เอาอะไรมาพลิกให้เป็นกรรมร่องเราจะลร่องเดียวกันเข้าใจเรื่องเดียวกันมันกับถูกการเข้าใจคนละทางกันตอนนั้นเน่มันไม่มีทางเลยที่เราจะเอาใจเราให้เกิดตามเป็นพลิกของจิตเกิดอนานาจอจินญาตมาบัตได้เป็นไปไได้ได แต่ ane, th ้ในขณะนั้นของเพอนมันคิดไปทางเดียวกันในใจเรานะมันเห็นความจริงเหมือนกันแต่มันค้อยตามปรยสารเดียวกันสับิึใจว่าแทนไม่เอาแล้วเดี๋ยวกู้แนวหรือว่าไปทางเออกู้ไปก็ได้วยกันพอไปด้วยกันปั๊บมันก็คือคนเดียวใช่ไหมในใจจะไม่มีความคิดสอย่างใช่ไหมมีความคิดอย่างเดียวแต่เมื่อเราไปสัมผัดใจโดยมันจะมีาจเป็นสคน ใ, ใจอาจจะน้อามสิทธิ์่าเราได้คุยคนนึงแต่เหมือนเราคุยกันคุยกันเองเหมือนเราคุยกันเองในใจว่ากพ้อเลยจราเป็นสองสัยว่ า, าเองเรานี่คิดัว เ, เ, เ, เองหรือเปล่าความสิทในใจเราว่าเหมือนเราคิดไปเองหรือเปล่าที่เาบ้าหรือเปล่าตัใครอยู่เห็นไหม เาจะวัตถุภายใจคล้ายตาคิดเนี่ยเราจะวัตถุภายในใจเราคล้คายตาคิที่ตรงนี้อคุิยาลบทเนี่ยเกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นจากความรู้สึกภายในใจของเราที่มันลมกันเป็นหนุ่มนะตั้งแต่ตอแรกและไปสัมผัสกับพระไปสัมกับใจของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อพระพุทธเจ้าโยวดาตอนนั้นมันกายเปคนสองคนอยู่ในใจเรา เนความรู้สึกของเราแบบนี้คนสองคนสามารถจะต้ต อ, อบคุยกันได้ภายในใจเราเราถามซับคือมีต้าสึกต่อเข้ามาในใจเราแม้ไม่ใช่เราคิดเองแต่ว่ามีมามกระแสของใจอีกดวงหนึงที่เราเน้นถึงท่านไม่อยู่ในใจเราเองที่ไม่มีภาพไหมมีแค่ตามรู้จึกทาง ใ, ใจคล้ายตาคิดจะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อใจของเธอจากตาต้น มันไม่แตกแยกออกไปเป็นยิริวนันอย่างปกติของเธอชนพิจารณาเดียวก็ถ้าเราไม่คิดอะไรในพิจารณาเป็นธรรมเรื่องเดียวกันมันเป็นของคนสองคนที่มีความคิดเป็นล่องลอยไม่ตรงกันไม่ตรงกันคอยแย้งกันบ้างคอยทะเลาะกันบ้างต้องรรดากันคอยว่ากันคอยเตือนกันตลอดเวลากระจายตัวเองตราบใดที่ในนักเวลาขนาดจุดนั้นยังเป็นแบบนู้อยู่เธอใช้อจัญญามาบัดไม่ได้ และเวลาจะเป็นนึกสิ่งใดก็เกิดความรู้สึกขึ้นในใจของเธอหาใจของเธอยังมีความแตกแยกความคิดภายในใจตัวเองนะที่ไม่างเดียวกันกาลังพยายามให้เกิดจะใช้ความดคิดของใจไม่ได้แต่เมื่อใดเมื่อใดก็ตามที่ภายในใจของเธอมารวมกันเป็นหนึ่งหมายถึงว่ามันคิดเรื่องเดียวกันมันเข้าใจเรื่องเดียวกันมันไม่มีความคิดแตกแยกออกไป ตอนนั้นแหละเธอใช้กาลังของจิตของเธอเป็นหิยาได้ล้แล้วลว่าเธิสิตพระนิสตองใดควนรู้สึกสของอเธที่เกิดขึ้นทันทีณเวลานั้นตอนนี้นที่เธอถามว่าบางคร้งเราไม่ควรจะถามว่ามีควาสุขที่ทพูดอะไรเข้ามาในใจเราพออย่างนี้อย่างนี้อเราให้เอออคิดเองเออเองนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามความจริงเขาเรียกว่าจิตวิญญาณอ่อน ๆ, ๆ, ๆ, ๆที่ยังไม่มีภาเพราะสมาติมันยังไม่ ตั้งมันในระดับเพียงพอที่จะเกิดภาพขึ้นมาได้แต่มันเกิดความวิุกภายในใจได้รับเชื่อตรงนี้ยมีเหตุออมีผลพอไหมพอหน้าเชื่อไหมถ้าเราะเชื่อว่าที่เราปฏิบัตเนี่ยเป็นปฏิญญาเล็กๆเนี่ยเป็เนขอไม่ได้กคิดว่าจะทำได้ไหมมันไม่ว่าถ้าเราเอาใจจดใจจ่อในเวลาก่อนที่เราจะไปนึกถึงใคร ทำตรงนี้ทําไมต้องทำสมาธิก็เพื่อเกิดปัญญา เ, ไมไมเกิดอะไรลูกทำไมต้องเกิดปัญญาให้ได้ดีเราต้องรักษาสิ่งมันจะได้มีสมาธิมากขึ้นเพราะตราบใที่เรายันเจริญพลังงานเจือยู่สมาธิเสร็จแน่จงตัวแ น, า น, วนาวว่าวามวุ่นวายเรื่องของวัตถุมันน้อยยิ่งเราเข้าใจความเป็นมากไทยไหลสมาธิจิตก็จะเรียตัวกันนั่นขึ้นมีกําลังมากขึ้นและตรงตัวได้นานขึ้น ตอนนั้นน่ยเราสามารถใช้อจิญญาที่มากกว่าขึ้นกําลังก็ทำได้ความสําคัญเวลาหลวงพ่อท่านสอนแนวท า, างท่านกิงสอนให้คิดปัญหาเพื่อให้จิตนันโรมตัวกันเป็นหนึ่งดังนันเวลานั้นเนี่ยจึงก็ต้องอาใัยผู้ที่เขาคอยแนะนําเราตอนแรกก็เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะยกแบกเรื่งนั้นยอกแบกเรื่งนี้จนถึงเวลาที่เรากลั บ, บาจากคุรดาอาจารย์แล้วเราต้องทําเอง ปฏิบัติเองบางคนบอกว่ทาทำเองไม่ได้กลับไปแล้วทําไม่เหมือนกันที่อยู่ที่วัดอยู่ับครูเ่เพราะอะไรเพราะวาเวลากลับไปบ้านใจมันถูกแตกออกไปสองทางมันไม่มีคามคิดผลไปในทางเดียวกันจึงไม่สงบวิที่ท่านั้นสงบมันต้องเอาเรื่องให้มันคิดอยู่ในทางเดียวกันแล้วต้องเข้าใจเหมือนกันคือมันยอมรับความคิดด้วยกันมันถึงจะยอมสงบถูกไหม นั่นวิธที่ดีสุดคือสักให้คิดเรื่องของความเป็นจริงมันถึงจะยั้งสงบถ้าคิดเป็นคนนั้นอั่ายัง้งคิดเรื่องคนนมันจะยัง้งมันจะมีเหตุผลเข้ามันคอยโต้ายั้งตลอดเวลาสังเกตดิเวลาเราตั้งใจจะรู้คนนั้นเป็นยังไงเรู้ว่าเขาทำอะไรถูกหรือผิดมันกาไม่ชาบไปเขามันจะมีเหตุผลเข้ามันมากมายคอยยั้งกันเองเขาคิดกันเองตลอดตอนนั้นมันจะมีอะไรกำลังไม่มีแล้วเขาเรียกวันที่วอร์เปี่ยนใจแล้วต้องนช้นะ แต่ถ้าเราคิดเป็นทำตุกมันจะนิ่งมันจะเป็นอารมณ์เดียวเห็นไหมชันเจนจิตนั้ยกไปยาอบวางเหมือนว่เราอยู่ด้วยกันสองคนถ้าให้ครูเื่นทาที่มีกำลังทาอะไรก็ไม่สามารถขีกันมันจะเสียงนยนอกทำเราเสียงแน่เอาความคิดนของตนเป็นใหญ่อีกคนก็เอาความคิดเนของตนเป็นใหญ่ทะเละกันมทําันงานไม่สำเร็จหรอกมันแตกแยกคนละคนแล้ว มันไม่รอมไปตามมื่อกันหรอกแต่ถ้าเข้าใจทำด้วยกันกำลังสนตนาทำด้วยกันเห็นจริงนี่เหมือนกันไม่รวมกันเป็นหนึ่นจหนึ่งเวลาทาอะไรสาเร็จไงไหมสำเร็จไตอนนม้คืนนี้วอไม่กวนจทั้งคู่อุปมาให้จว่าแม้ระใจเราเองเหมือนกันถ้าต้องการให้มีกาลังของอจิญญาสมาบัติทำไมจริงจาจะต้องพิจารณาท มันเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคิดนะต้องคิดถึงนโดย จ, จะใช้วิปัสนาญาณในการเข้าใจความเป็นจริงไม่ได้โกยพสภะมันให้สามารถทําให้ใจของเธอรอวมตัวการเป็นอย่างได้ง่ายๆมีคุตามเหตุตามผนนะแต่จะได้รู้สึกว่าไอ้การที่ปฏิบัติเพื่ออป็ญยาเล็กๆน้ยอยๆเยมันทําง่ายมันไม่ใช่เรื่องยากแต่เ่าต้องให้เป็ญยามันเกิดเป็นยาใหญ่ มันต้องมีตามแน่แน่ไม่ใช่แค่เฉพาะเวลาอย่างนี้เราทำเฉพาะเวลาได้อภิญาเล็กๆแค่จนั่งนิ่งๆเดินตาหลับตาเดแล้วก็พิจารณาทำทำใจมันสบายภาวนาสักนิหนึ่งมาตังมากก็ทใจพิจารณาสังขารร่างกายสัหน่อยนึงให้ติอาจาเรานิ่งสบายดูเราอยูในิสิารีนอไม่ถึงพระพุทธเจ้าไม่ถึงหลองปู่ไม่ถึงหล่อไม่ป็นองค์ใดองค์หนึ่งจะเน็กเ็กจริงๆตั้งใจเลกๆเ้าจริง ท่านมาถึงเราเลยในเวลานั้นทุกท่าเรารู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาเหมือนกับเราไม่ควรจะข่าวมันหรอกป่าไม่ควรคิดมากลหรือมันเราที่เป็นพูดเป็นต่อเองไหมเหมือนอย่างนั้นจริงๆมันไม่ใช่เราต่บเองคิดเองจะเกิดจากสิงที่ใจเรานี่ยได้รับสัมผับเจ้าของท่านจริงๆจึงมีการรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นยิ่งเวลา คนเื่นที่จะเข้ามาสู่เราให้รับรู้ได้เขาต้องอาศัยเวลาเราหลับเค้มเคลิ้าเวลาในขณะนั้นถ้ายางเคยกาลังวุ่นวายกแบวนี้ไม่มีทางใครเข้ามาใจเจอได้เลยผ<พ>ีก็เ<พ> <ๆ S 2> ข้ามารับรู้ในวุ่นวายใจเจอทำไม่ได้ไม่มีทางมันจะเข้ามาใจปเจออ่อนนัดอ่อนอ่อนลงไปไม่มีกําลังเหมือนคนาำลังขึ้นหลับขึ้นตื่นอย่างเงี้ยช่วงอย่างเงี้ย กำลังไม่ให้มีสมาธิกำลังโป๊ะโพโปใจอ่อนเปลียนนั่นแหละจะมีสิ่งไม่เข้ามาขวนใจเราง่ายแต่ถ้าเราไปตามบมั้นคงแน่แน่ไม่ถึงพระไม่ถึงธรรมไม่ไมไมถึงความดีแล้วก็ตรงใจแค่เนี้ยอาติยาของจิตไอสิ่งที่จะเชื่อไรมันเข้ามาจัดต้องเราไม่ได้เพราะเรามีกำลังใจเรามีกาลังตอนนั้นเราได้ถึงพระถึง สาวสุดของเราไม่ได้คุยกับผีไม่ได้คุยกับติ่งที่เป็นกระกโปกสิ่งที here, <synchronous S 3> ่มาเป็นโทษกระแจเราไม่ได้คุยละคุยกับคระตรงๆคุยกับลวงปูกคุยกับท่านคุยกับวงพ่อกับคยกับท่านจิตมันจะรู้สึกต่อเองเพราะวองค์ากมันเองเหมือนเราคยกันเองในใจเหมือนกันเหมือนกับก่อหน้านั้นที่เรายังไม่ได้ใช้ความสงบเข้าช่วยให้จุดเรียนจบเป็นเงเราจะได้รับประแสอะไร แตะแสความความเยือกเย็นควารู้สึกในสิ่งที่เรามันคูยกันเองจต่เป็นามที่อกเสบายใจได้คา ต, ตอบได้ทำเยืหน่วยภายในซึ่งแตกต่างกับเวลาเรทะลาะกันเองภายในมันขัดแย้งกังในในสิ่งเดียวมันจะตามเล่าร้อนนี่คือสิ่งที่เราใช้ความรู้สึกของอารมณ์ไปสัมขัดได้ถ้าเป็นของจริงเราสมบูรจริงเรามีอาิญป็นยาฤกษ์จริง เราไปกราบพระแล้วเรามีสาวจุกพระท่านผู้ใดภาในจริงมันจะเป็นอารมณ์ที่เบาแล้วมันสบายใจแต่บางคมันเกิดขึนขณะหนึ่งเดี๋ยวก็หายไปนั่ใส่แล้วเราจะมาสมาติที่จะให้จิตลมโยกันเป็นเลงเนี่ยทงได้ประเดี๋ยวเดียวหลังจากนั้นมันยัดไปเยื่องอื่นละมันทิ้นทำละแล้วก็ต้องเอาทำมากลับมาใหม่พิจารณาทำใหม่ เวลาครูเ็าปรึกมโนยุียุคก็เจ็สุดอย่างนี้เต่ต่าชาวโผตอนนั้นเก็เลยนพิจารณาใหม่อ่าพิจารณานะพิจารณาร่างกายกันใหม่นะแต่นะเดินใจให้กลับมาใหม่ให้ลมตัวกันใหม่พอเป็นนี่สงบเดียวเห็นพระไหมเริ่มต้นใหม่แล้วเรื่งต่อไปได้ทั้งสิ่งเหตุผลที่เธอควรเชื่อไม่ได้ตัดแต่วัดชื่อ ก็ทำไมเพียแค่ไม่จริงถึงใจเราจึงสามารถจะกับขัดกับผู้ที่ละอัตภาพไปแล้วสามารถจะรู้ความรู้ใจของท่านรู้ความคิดของท่านรู้ว่าสิ่งที่ท่านพูดอะไรอะไรกับเราได้มันเป็นของจุดไ ม, ม่ยากทำไม่ยากหนึ่งเธออยา่าจริงถึงสงองเธออย่าจริงทำพยายามค่อยรทำตลอดเวลา ตามตายนิดเอาไว้อย่างน้อยแล้วก็ไม่ถึงความตายไว้เป็นปกตินะทำอย่างนี้ภาวนาแล้วก็ภาวนาบ้างเดี๋ยวมันจะไม่แั่นนักก็พอปลายเพราะเราคิดถึงทรรได้คิดถึงความเป็นจริงคําว่าทุกข์ไดดังคิดถึงความให้เที่ยงดังคิดถึงสิ่งที่ต้องเกิดขึ่นความเป็นจริงที่เราต้องเป็นไปถความตายบ้างคิดถึงความหน้าบวมใหญ่ของการเป็นมนุษย์ดัง จับให้ใจรู้สึกเอาเรอยู่กับอารมณ์เนี้ยมันวจมมากะบายจังเลยไม่เอาแล้วเราไม่ต้องการอะไรอีกแล้วตอนนี้คว้ึอะไรพผ่านไปวิพพานดีกว่าเราเพื่อเพต่อไปนิพพานดีกว่าเาจะไม่เห็นนิพพานเป็นยังไงบางคนเนะภาพในบจกาเป็นแก้วลิ้ประักบางใสอารมณ์รู้สึเบาๆตกๆเรกอาจะไม่รู้สึกแบบนี้แต่บางคนแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราไปนิพพานเราต้องพบพระพุทธเจ้าก่อน เิ่งที่าต้องผ่านได้แน่นอนคือดวงพร่อริักของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในนิพพานถ้าอาร์มท่านอยู่กันที่นิพพานเมื่อเราเว่าเราต้องการจาระไปนิพพานเราต้องไปพบพระเจ้าก่อนเป็นอันดับแรกแล้สิ่งที่เรา้อง่านได้สุดท้ามรู้สึกภายในใจของรเราเมื่อเรารู้สึกว่าเราต้องการจะไปกราบพระพุทธเจ้า เราจะมีความรู้สึกเย็นเยนตรงตัวข้น ม, มาในใจเราเองถ้าเราทวนถามสิ่งใดภายในใจปุ๊บก็จะมีคําตอบข้นภายในใจของเราเองเหมือนเราคิดเองตอบเองนั่นคือกามรู้สึกทางใจคล้ายตาคิดเวามรู้สึกแรกท่านจะไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะว่าสมาธิของเร า, าเปนสั้นนะที่ปรารถนายาของเราไม่ตรงตัวในตอนที่เราเข้าใจในธรรมมันไม่ตรงตัวประเดี๋ยวมันหมดไป ต้อกลับมาเริ่มต้นใหน่มั น, เ, ขขนเป็นเกิดความสุตขั้วขนาดรัชราหลวงพ่อทรงสอนว่าความสุขแรกให้เชื่อกระคามสุขต่อไปนี่มันพัฒนาเทียมได้เพราะว่าเราไม่ได้ตรงทำสมาธิไม่ตรงตัวใช้าอรารมณ์ต่อไปไม่ได้งั้นถ้าต้องการจะสุดามารงตัวล้วก็ต้องมากไปสมาธิมากไปวิจารณญาณสองตัวไม่ตรงตัวมากๆากหนเราไป กราพระเราก็จะรับความวิตกจัดที่พระพุทธเจ้าสัมผัสในใจเราว่าช่งทรงตรัสอย่างนี้ทรงกราบวัดตาเราอย่างนี้นง่ายๆเราจิตอยู่ใกล้พระองค์จริงๆแล้วเมื่อสมาธิมันดูถึงระดับที่สามารถจะเห็นภาพได้มันก็จะปรากฏภาพเหาเห็นสวยสดงดงามตามตามเป็นจริงเห็นีหมว่าที่หลันท่อยทั้งพวกถูกต้องทุกประการจนขั้นเปนตามทั Sonra ้งหมด เป็นเหเป็นผลที่เรามาพิจารณาแล้วจริงงการที่เราเจะเชื่อว่าใจเราสามารถที่จะสัมผัสใจของท่านทันน้งหลายเป็นของที่ทําได้ง่ายถ้าจะทําได้บ่อยๆวันละหลายหลายครั้ง<ม>ก็เท่ากับว่าเรามีที่พักใจนะมีที่พักใจเราขึ้นตามวุ่นวายกับน ม, ม, อมอ น, ดดนุษย์ได้ไม่ยากเรามีความเฉลียวใเฉวอารมณ์เป็นตกได้แทบลึกก็ยังดีดีกว่า เรามาสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ใเโลกอนุัน์ถูกไหมเรื่การฝิกอภิญญาจะมาแบบเล็กๆฉันจะบอกว่าของเล็กๆไม่น้อยนะทำการเถอะจนข ย, ยั่ทำอย่างนี้แล้วใจเราเนี่ยจะตะนึกถึงสิ่งที่เป็นความดีง่ายมากคุยกับพท์เป็นของคุยได้เพราะ ว, ว่าคุยยังไงก็ความสุกภายในใจของเรานเนี่ย ที่เกิดขึ้นอย่างด้วยเหตุด้วยผที่ผู่นี้ ต, ตั้งแต่ผ่านมาเอาไปทบทวนนะว่าถ้าใจเรามนนทุกแเป็นสองส่วนมีความขัดแย้งกันไม่ลงรอยตอนนั้นเรียกว่ามีวิวรณ์วนใจไม่เป็นสมาธิเ ม, มื่อใดก็าตามที่จิตมันคิดไปนทางเดียวกันตอนนั้นมือเป็นสมาธิในขัง บางคนที่กู่าถ่ามาลงตัวกันเพราะอารมณ์โกรธมันจึงมีแรงพยาบาทแรงเขาคิดอะไรเขาถ้ามันเป็นยังไงมันจ็งไปตามนั้นได้ในขจุดมีที่มีท่านก็ถามว่าคนเราสร้างจิตอาิาาษฐานปัจฉนาให้เป็นไรคนดูได้จะเพราะคนดูเลยคนไม่ดูก็ทมได้ ถ้าเขามีศัพทวาตาอารมดอลรมณเดียวไม่มีสิ่งเดียวนะครก็ตากใจเรไปก็เป็นตามันได้ดีกันเห็นไหมนั้นผลของใจถ้ามันสามารถรวมกันเป็นหนึ่งคิดโดยทางเดียวกันคิดเหตุโดยทางเดียวกันไม่ว่าจะคิดเป็นโดยทางดีหรือทางชั่วมันมีกำลังไปสมาธิทั้งนั้นแต่เราใช้ทางคิดเหตุโดยทางจิตสมาธิจิตสมาธิเพื่อใช้ในการเข้าสูงความสุขล้วก็มุ่งใจในการเข้าควรความเป็นหลัก ถ้าทิ้งคำมันพาเราไปแต่เราทรงคําอยู่ในใจเราเข้าใควรอยตลาดไปลาจิตมันก็จะเป็นเรื่องโดยกันเพรมันคิดไปเรื่องทางโดยกันถูกไหมตอนนั้นมีสมาธิถึงจะเป็นสมาธิเล็กๆน้อยๆมันก็สามารถจะทําให้ใจของเราสัมผัสได้แล้วแค่เสด็จจะเดาความสัมผัสได้ถ้าเราสามารถเข้าใจในธรรมและตรงจอยอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าณเวลานั้นเรไม่สนใจเรื่องของใครเลย เดี๋ยวไหมันก็สนใจจะทำอย่างเดวหรือตามเป็นจริงอย่างเดยนคือวิวาไม่สนใจเทหร่เรืก่เข้าความเข้มงวต้มากขึ้นยิ่งจิตใจเจ็เจกับเอานี้เป็นหลักสมาธิก็แกร่งมากขึ้นเออจะนาก็เป็นมันไม่เว้นพะว่าทำมันครองใจเราเราไม่ฟึงความจริงไม่ฟังคำั้คําสอนโนก็ค่อยมันรวมกันให้จิตมันรวมกันมันก็เป็นสิ่งที่สมานใจเรานะ ให้เป็นเงกันเป็นหลอดหลอดหลอให้เป็นเด้งเดียวกันนั่นมีกําลังแต่อาศัยความจริงคืธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเข้าใจมันคืออะไรประคองใจเราไว้อยู่อย่างนี้นันแหละเมื่อวันจึงใจล้วไม่ได้ไนมะ่ได้มาแล้วในขณะที่เป็นอย่างนี้ปั๊บรารงสมาธหนักเข้ามันก็จะเป็นผลึกพลึกนั่งขึ้นนังขึ้นสว่างขึ้นแจ่มใสอนุภาพมากขึ้นตอนนั้นมันหลุดไปว่าทั้งกาลังและอัจริย เต็มเป็นกต่ำกลังก็ได้ไปยาจิตยาเปนตัวก็เป็นเรื่องง่ายง่ายเห็นไ้มการปฏิบัติไม่ใช่ของยาขอยเชื่อเชื่อจะไม่เชื่ออย่างไรเหรอผมไม่เชื่อตามนี้เขาพูดแต่เชื่อในเราไดพิจรณาถึงอยากความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆมันจเปลีได้ในตอนนี้เป็อมา อย่างน้นอยใจเบาๆเนี่ยแต่ช่างเราจะหาภาพกันไหมไปไงคนพาไปเคกเขาไปห น, ใน่นอยที่เขาใจหลักตาหนึ่งๆเคยก็หน่อยอะไรตะวะใจจริงๆคนเขาเห็นเคยถ้าเิดไปแต่ตัวเธไม่เห็นก็เคยไปเห็ไหอนะอารมณ์อย่างนี้นมันไปได้มันสัมผัสได้อขอเข้าใจาอย่างนี้นะไปทบทวนนะจาหลักไว้ว่า เมื่อใดที่ใจของเแตกเป็นสองตอนนั้นคือว่าถ้าต้องการให้จิตมันลมเจอกันเป็นหนึ่งเธอต้อเอาธรรมะให้ควรในธรรมทำเป็นเจอสมานใจมันจะให้ลมกันเป็นหมันเป็นอย่างเดียวที่ถ้าเราทําะะทได้เมืม่อลมเจอกันเป็นหนึ่งเธอก็าจิตใจติดเจอกันอย่างใดอย่งนึ่งมันก็จะมีกําลังแต่ก้าตอนนั้นน่ะถ้าตรงตัว น, น, นานเธอก็ไปคุยกับท่านไม่นานตามที่เราตรงตัวตรงตัวห้าก็คือ เขาก็คุดกับพ่อได้หน้านาทีจองตัวได้เช่องเขาก็คุยกับพ่อไม่สัมงถ้าจองตัวได้แค่ยื้อไม่ไหน่ๆก็คุยกันตั้เดือนเั้งสิบล้านใช่ไหมตั้งตต่อไปตัวละสบายเห็นไหมันมีหลักนะแล้วก็มีหลักความันใจตัวเดียว่าถ้าคนต้องการให้จองตัวคุณก็ต้องจับมือกันยื่งๆสนหลังจากที่คุณเอาใจของคุณมาลงกันให้เป็นหนึ่งแล้วนะแล้นที่จัดสัยญาเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำ เพื่อหล่อหล่ให้ใจมันมกลมกลกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยนั้นมันจะแตกตามจิตตะล้วนิ่ง้จัภาวนามันคิดเอเ ม, มันไปคิดเอนี่เลืนไปเล่นอาเอเ อ, าาเอนันาทำอนี่ไปไปไปนะยิ่ว่าจากจะใช้กาลังใจของ่เพื่อดิอยาภาวนาแบบเป็นใจไม่ได้แค่จะเอามาิดที่จาให้เขาใจมันทำ ไ, ไม่ได้แล้วก็สมาธิมเกิดแล้ว เัวางผกปใจใช่ครัอาจารย์ท่านจึงสอนอย่าทิ้งทำอะไร้ควบคู่กันใจตลอดเข้าใจนะวันหลัการปฏิบัติอย่าทิ้งการพิจารณาเอาความจริงเข้ามาคิปเข้าใจองน่มันรวกันนิ่งๆกันงบเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนใครกลังทะละกันสองคนนั่งคุยันได้ทำโฆษณาทำอย่างมันเริ่ละจางลงละ บางแตกแยกกันบางนะครับมันกลับมารวมกันเป็นหนึ่งกันกแลลับมาเชื่กันแหละจนได้ชัดมันเป็นเรื่องจริงจริงอ่าเวลาก็วันดูยาวนานเปลี่ยนปกติปไปหน่อยเพราะว่าวต้องการที่จะเข้าใจเรื่องนี้จริงๆที่คุณมาเยู่ยวดาวเลยนะ อ, ะอ่าจจิบายเหตุผคนหี่ังว่าทำไมมันเกิดขึ้นเพราะอะไรให้ใช้คําว่าเชื่ออย่างเนี้ยเชื่อไหมเชื่อเถอนะอๆๆว่า คิตัวอยานของจิตง่ายไม่จำเป็นจะต้องตายเห็นความรู้สึกทา ง, งใจค้ายตาทิกแค้ครึ้นกำลังเนี่ยพอกินแล้วแล้วพอเลหลือ้ถ้านอกจากนห้นเปเลื่อของเราขยันจะมาติบบ่อยๆเข้าภาพมันก็ปรากฏขึ้นมาเองราพมันสิ่งที่ปรากฏเจ้กับภายหลังแต่ความรู้สึกทางใจคล้ายตาคิดปรากฏทุกเมื่อเมื่อใจมันงสมันรวมตัวกันเป็นหนึ่งจะเป็นไม่ถึงใครก็คือจึงเรา เวลานั้นถ้ากำลังสมาธิมากมันจะเข้าใจเข้าตัวเลยแล้วเข้าใจค น, นง่ายย่กตัวก็เข้าใจับที่ทมีร่างกายก็เข้าใจง่ายแล้วก็สัมผัสกันง่ายกว่ารับรู้ง่ายกว่าที่จะมานั่งรับรู้กระจายคนนอะอาตั้งใจที่สมประสงค์นะติดทางวิญญาณพลงังเป็นอะเบิดดา ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็แล้วณโอกาสนี้ขอพิจารณาตนนี้ให้ เ, เกิดขั้นเจริญในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าจะประม า, าทครั้งต้องเกินกว่าท่านทั้งหลายทั้งกายวาจาใจขอยท่านทั้งหลาย จะโปรดเม น, นาจะได้ปรดประท้วงแก่ข้าพเจ้ารักษา บ, บัดนี้จ่าเท้าเข้าสู่พระนิพพานและขอที่สุดประสรนี้ให้แก่เี่พระเจ้าทั้งหลายที่ปกปารักษาข้าพเจ้าให้แกพระเจ้าทั้งหลายเพื่อรักษาคนรักทีก รัศยายมาราขอทุกพระเจ้าทั้งหลายรัยายมราเื่อเปรดเนโนธนาเพเปิดเ็นสกิพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้โดยเฉพาและขอทุกส่วกนนี้ให้แต่ท่านทั้งหลายซี่งด้รับไปแล้ว ที่จะไหลตามตึกดยก็ดีจตไลตามตกดยวก็ดีเป็นยากก็ดีนิจยากก็ดีขอท่านจั ง, งหนายจงโลธนาปณิรักประโยชน์ตามตึกจงยสข้าพเจ้าจะุณิรักในการระบาดอย่ยงางเี้ไปอนุเบกษา ทข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็แล้วณโอกาสนี้ขอผลละบนนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนุทพาในชาตปัจจุ บ, บันด้วยเถิอาหารหังสัมาสังพุทโธภะวะ สังพัวันตังอาิวาโทมิตระคาโตพักควัตตาหิมุติอั a มังนามาสะอานตปันโวตสะอวสังโฆ ท่านคำนัดมามีภาวนะทุกคนเลยนะท่านทางเขากลอภัยนะทุกคนนะ